พูที่ชาติโดยตรงเรือการในอุทุมเริกาส่วนท่านบอกว่าอย่างนี้พระที่ปฏิบัติกรรมฐานโดยมากพระเจ้าพูดคําว่าพระกรรมฐานว่าพระอยู่ข้างหน้าที่มันดราระว่าจดอยู่ต่อออกไปท่านก็จัดตรงกับพระพระไหว้กับฟังได้ปฏิบัติได้ท่านบอกว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานจริงๆ อันดับแรกเมื่อกลับจากวินาศฉันข้าวแล้วหาที่สงัดจะเป็นโคนต้นไม้ก็ได้เป็นบ้านร้างก็ได้ป่าชัด ก, ก็ได้ป่าช้าก็ได้ในกระท่อมก็ได้เป็นที่สงักายหลังจากนั้นอุทุงกายอย่างมณิ t ายะตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นไอ้พระอะไรทึงมาเนีย ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นรวบรวมกำลังใจระงับนิวรณ์ห้าประการคำนิวรณ์ห้าประการนี้ต้องระ ง, งับก่อนเพื่อนก่อนที่จะทำกรรมฐานทุกอย่างต้องนึกถึงนิวรณ์ห้าประการก่อนคือว่านิวรณ์ห้าประการในความจริงเราชนะมันไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นพระนาคามี ถ้านาคามีนัตัดได้แค่สองข้อตัดได้ขาดอีกสามข้อจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระรหันแต่ท ว, ว่าในเมื่อเรายังไม่เป็นข้าที่เจ้าสูงสุดเราก็ใช้วิธีระ ง, งับคําว่าระ ง, งับก็โดยไม่นึกถึงมันเลยแต่การที่ไม่นึกถึงมันมันก็อดนึกถึงไม่ได้เป็นของธรรมดาก็จิตกับนิวรณ์ในคบกันมานาน แต่ว่าขณะเริ่มต้นพยายามไม่นึกถึงนิวรณนห้าอย่างคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพรากลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสะหว่างเพศรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วงรายการที่สี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไป รายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้เวลาที่เราเริ่มต้นกัรมาฐานพยายามตัดมันออกไปจากใจคำว่าตัดออาจากใจมันจะตัดได้แค่แค่สุ ป, ปะเดียวเดียวก็ของธรรมดาอ น, นิวอนที่จะเข้ามาแทรกเราอันดับแรกก็คือ น, นิวอนข้อที่สี่ที่เรียกว่าอุทธจากกุกุจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่าน อย่างที่เราตั้งใจว่าจะกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกร่วมกับคำภาวนาเราจะรู้ได้ช่วงขณะประเดียวเดียวกําหนดได้ไประเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้ถ้ามีรมอื่นเข้ามาแทรกพอรู้ตัวว่าจิตฟุ้งซ่านไป เราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกรู้รู้คำภาวนาสลับกันไปอย่างนี้แล้วต่อก่อนเมื่อจิตระงับจิตวอแล้วจิตกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามสมควรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนําเพื่อทําจิตให้ผ่องใสาจากอารมณ์ต่างๆก็คือให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง ในทุนเบรกาสูตรท่านใช้เฉพาะเมตตาตัวเดียวไม่ใช่หมายเป็นพรมิหารสีคือให้มีความรู้สึกทางใจว่าเราจะเป็นเมตที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดหรือไม่มีสัตว์ตนใดที่เราจะไปกาดเป็นศัตรูเราจะเป็นเิตที่ดีที่ที่ยอดพอใจของเธอทั้งหมด ที่ว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีขเขาเขาถ้ารมจิตมันยังขุนมัวอยู่ก็ยังไม่ต้องภาวนาตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งจิตจะสงบถ้าเมถ้าจิตยังไม่สงบก็คิดว่าการเป็นศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์การเป็นศัตรูไม่ใช่ปัจจัยของความสุขคาว่าปัจจัยก็คือเหตุ มันเป็นเหตุเครื่งความทุกข์หรือวันไปเหตุของความไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะการไปสตรูกันมีแต่ใจความมีแต่ความขุม่นมวหของจิตจิตไม่ปลอดใสกถ้าไปที่ไหนก็ต้องระวังอันตรายถ้าต่างคนต่างเป็นมิรกันมีแต่เนื้อหนมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันอารมณ์มันก็สดชื่นจิตเป็นุข และราการที่สองถ้าเราส า, สามารถทําลายศัตรูดได้สมมติว่าเราโกรธจัดเราอยากแก้ฆ่าคนนี้ให้ตายความจริงเราจะฆ่าเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราฆ่าเขาได้แล้วเราจะเป็นคนไม่ตายได้ออยังไงในที่สุดเราก็ต้องตายไม่กันถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งตายญาติของเขามีกี่คนเพื่อนของเขามีกี่คน ต่างคนต่างก็รวมมาเป็นศัตรูกับเรารวมความว่าความโกรธความความเป็นศัตรูกันถึงของไม่ดีเราคิดต่อไว้ว่าความขุนความเป็นศัตรูกันมีความขุนข้องหมองใจจิตใจเศ้าหมองตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคีตเถทุ ก, กติปาจังขาก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจเศ้าหมอง เราก็จะไปสู่ทุกติมีทุกเนรุกเป็นต้นจิตเตะอสังขริธรทธสุขติปาจังขาถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจผ่องใสเวลาตายแล้วไปสุกติมีสวรรค์เป็นต้นเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีความเป็นอยู่น้อยอายุไม่มากอย่างมากกว่าร้อยปีคำว่าร้อยปีของเรามันอาจจะมากสาหรับเรา แต่ถ้าเราจะไปเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ก็ได้แค่ห น, น, นึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ถ้าจะไปเทียบกับยามาเราก็ได้แค ang, ่ครึ่งวันของชั้นยามาเพราะชั้นยามาในสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาถ้าจะไปเทียบเทียบกับชั้นดุสิตร้อยปีของเราก็เท่ากับหนึ่งในสี่ แล้วหนึ่งหนึ่งในสี่ของวันของชั้นดุสิตเพราะชั้นดุสิตนั่นสี่รอยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขารวมความว่าเวลาเกินมาลาร้อยปีของเราเป็นเวลาเล็กน้อยถ้าเราทําความชั่วในชาตินี้จิตใจเศ้าหมองตายจากความไม่คนต้องไปตกนรกนรกขุมแรกซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของเมืองนรกคือสันชีพรนรก สัญจรแล้เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแล้วปีถึงมี่าเดือนมีสิบามสิบวันกระปีนั้นมีสิบสองเดือนเหมือนกันอายุในนรกผมมีห้าร้อยปีนรกกล่าว <c oughs> ความว่าในเมื่อเราสร้างความทุกข์ก็ใส่จิตปุนมัวเล็กน้อยเป็นศัตรูกับคนบ้างเป็นศัตรูกับสัตว์บ้างฆ่าคนเราก็ลงนรกฆ่าใส ก, ก็ลงนรก ความยินแยม้มแจ่มใสไม่อมีความสดชื่นใจมีมีแต่ความเศร้าหมองความเศร้าหมองเปอากายต้องความทุกข์ในชาตินี้ตายไปแล้วก็มีทุกข์หนกกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่ว่าที่เราคิดถอยหลังว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดในโลกก็จะเป็นมิตรที่ดีกับคนแสัตว์ในโลกทั้งหมดแต่ว่าในอันดับแรกการแผ่เมตตาจิต ให้เว้นบุคคลที่เป็นศัตรูซะก่อนถ้าใจยาเศร้ามองถ้านึกถึงคนที่เป็นศัตรูจิตจะคนมัวเราก็ไม่นึกถึงแล้วนึกถึงได้คนที่ไม่เป็นศัตรูก่อนต่อไปถ้าจิตใจเชื่องในอารมณ์นี้ก็สามารถคิดถึงศัตรูได้แพ่เมตตาจิตติในศัตรูว่าเราเป็นมิตรดีของเขาในเมื่อแผลเมตตาจิตเปในจักรวาลทั้งปวงแล้ว พูะพุเจ้าบอกว่าตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้การรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นเป็นสมาธิ เรียกว่ามีสมาธิานานาปานุติการรู้ลมหายใจเข้าใะออกเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากเป็นแม่บทของกรรมฐานอีกสามสามสิบเก้ากองเพราะกรรมฐานที่เป็นแม่บทจริงๆมีสี่สิบกองแต่ว่าอนาปานุติคุมอยู่ที่เก้ากองเมื่อรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วหลังจากนั้นให้ ท, ำทํำชิปุญญาให้เกิดขึ้น พระธุริการสูตรท่นสอนท่านสอนลัทธิวิชาสามโดยตรงให้สร้างทิฏกุยานให้เกิดขึ้นเมื่อทิฏกุยานเกิดขึ้นแล้วสามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจเราชอบเราอยากจะเห็นเทวดาหรือนางฟ้าเราก็เห็นได้ชาวสวรรค์เราจะเห็นชาวพุทธโลกเราก็สามารถเห็นได้ เราจะเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเส็นสุรกายเห็สัตว์ในฉายก็สามารถเห็นได้ให้กล่าวไว้ตามบาลีว่าพรหมอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็นเราสามารถคุยกับพรหมได้เทวดาเรื่องนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เราเห็นเราสามารถคุยกับเทวดาเรื่องนางฟ้าได้สัตว์นรกเปรตสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นเราสามารถคุยกันได้ รวมความว่าทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้เราต้องการเห็นเรารู้ได้เราเห็นได้โดยฉับรันแล้วต่อไปจ้าก็บอกว่าเมื่อมีการคล่องตัวแบบนี้ต่อไปก็ทําปุเพนิวาสานุตยานให้เกิดขึ้นคําว่าปุเพนิวาสารุตยานก็หมายถึงการรลกชาติให้ลกชาติถอยหลังได้โดยไม่จํากัดชาติสร้างตนให้คล่องแคล่ว หลังจากนั้นทำมิปัศนายานให้เกิดคำว่าปัญนาญานนี้ก็คือตัวปัญญาก็มีคนส่วนมากถามว่าจิตเปสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> มีที่ซอยใส่ลมก็ถามว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมันแล้วมันจะใช่เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไง ถ้าท้อถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจระงับจากนิวรณอารมณ์ก็เยือกเย็นกิเลสระงับเวลานั้นกิเลสในใจเราไม่หลังไม่ฟูไม่ดิน้นรนระงับตัวมันนอนนิ่งเมื่อกิเลสนอนนิ่งปัญญาเมื่อจิตเป็นสุขปัญญาก็เกิดเอง ปัญญาที่เกิดเองตัวนี้มันเป็นาปัญญาปัญญาเร่ตงตากี่เลทที่ก็มาย้อนตอนต้นหน่อยพระพุทธเจ้าสัจจะแค่นี้ก็มาย้อนตอนต้นถึงประโยชน์ว่าการทำทิพยานให้เกิดขึ้นมีผลดีกับเราย่างไงความจริงทิญยานนี่เป็นปัญญาต้นของญาณแปดประการเมื่อได้ทิุยานแล้วญาณต่างๆจะตามมาอีกเจ็ด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 ในะไการต่อไปถ้าคนดึงข่าวคนตายหรือสัตว์ตายถ้าเราอยากจะทราบว่าคนที่ตายคนนี้ตายแล้วไปไหนได้วยกฎของกรรมอะไรเราจะทราบทันทีรู้ความสุขหรือความทุกข์ของเขาอันนี้จุตูปปบาปิยานล้วต่อมาก็เป็นเจโตปริยานเจโตปริยานในการรู้วาระน้ําจิตน้ําใจของคนอื่น เธอคนอื่นนอกจากเราเนี่ยเขาจะมีความสุขเขามีความทุกข์เพราะเหตุใดเราจะทราบเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกชั่วยังไงเราจะทราบนี่ก็ว่าตามกฎธรรมดาธรรมศาสามันโดยส่วนใ น, น, น, น, นี่ต่อไปอีกเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของ บ, บคนนุคคลนี้ทรงฌานสมาบัตหรือเปล่าเป็นพระอาเดียเจ้าหรือเปล่าเป็นพระอิียเจ้าขันไหน ตอนนี้การรู้คุณธรรมด้านจิตใจของคนอื่นนี่เราจะต้องได้เสมอเขาถ้าเราสามารถทรงชายที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราจะรู้รู้ได้แค่ชายของเรา <c oughs> เราเราได้แค่ไหนรู้แค่นั้นถ้าดูต่อไปจะมืดไม่ทราบ ก, ลกำลังใจของเขาเพราะถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราจะมองจิตพระอริยเจ้าไม่เห็น ไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นประโสดาบันเขาเป็นประโสดาบันเรารู้แต่เป็นสีทาคามีมองขึ้นไปไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอาหารหันต์จะเห็นหมดรู้หมดทุกจุด ท, ทุกขั้นตอนตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราอย่าสนใจ <c oughs> เราต้องการรู้จิตใจของคนอื่นเราทำยังไง ต้องการรู้ให้มันไม่ผิดเลยก็ถามทำจิตใจเราเป็นอุเบกขาอย่างเช่นก่อนทําจิตใจใเป็นสุขไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงความชั่วของเขาทําใจวางเฉยแล้วถามตรงพระพุทธเจ้าขอดูจิตแค่นี้เราจะรู้จิตใจของเขาทันทีตามที่พูดนี่ยังใช้เวลาชาถ้าเอาจริงๆมันไม่ชาเพราะนึกปั๊บมันรู้ปุ๊บนึกถามปับ๊บเห็นปับ๊บ จิตใจของคนจิตใจของสัตว์ไม่เป็นเหตุลี้ลับที่คนอื่นจะพึงรู้ได้อีเจตุลยานก็ต่อไปก็เป็นบทเพลิวาสารตุลยานอึกชาติโดยไม่จํากัดพผหลังชาติได้ต่อไปอันหนึ่งก็ไปอารติตามตุยานผู้เหตุการณ์ในอดีตยามาวานนี้ต้องการให้รู้เรื่องราวของปฏิสะ ด้วยตามบาลีที่แถมปูดีคัดติดสระปูดิคัตแปลวเานาว่าแปลวพระติดสระผู้มีร่างกายเน่าถ้าเราสามารถรู้ได้จะไปอีิต่างสี่ยานเรารู้ว่าท่านทํากรรมอะไรไว้ดูกฎคุงกรรมของท่านที่ท่านอย่างนี้เป็นยะถากรรมโมตายานด้วกฎคุ้งกรรมที่ทําให้ท่านมีสุขคือกฎคุงกรรมที่ทําให้ท่านมีทุกข์ ท่านต้องเจ็บป่วยมีการเน่าทั้งตัวกระดูกแตกทั้งหมดแล้วก็ ก, กรรมอันหนึ่งที่ทําให้ท่านเป็นพระรหันต์ที่เรารู้กฎขุงกรรมอย่างนี้เป็นยถ า, ากรรมุตายานเป็นญาณตัวที่แปลกต่อไปก็ไปนอนายข้าตังสียานรู้เหตุการณ์ข้างหน้าอย่างที่เขาไปจัดกรารด้านหมอดูอธิตังสยานนี้เป็นการพิสูจน์ประวัติศาสตร์ได้ดีมาก แจะหมายความว่าถ้าไปสถานที่ใดเราอยากจะรู้ว่าที่ตรงนี้เคยปลูกบ้านไหมเคยมีคนอยู่ไหมคนที่อยู่มีความต้อคัญรยังไงมีความต้องการแบตกีรุ่นมีความสามารถแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนเรารู้ได้ทันทีนี่แบตจีต่างสยานอนาคตต่างสีย า, านาาญญารู้ ก, การข้างนาข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราทราบรู้เรื่องของเรารู้เรื่องคนอืน่น แล้วต่อไปก็เป็นปัจจุบันนางสียานปัจจุบันนางสียานก็นหมายความรู้ยานยุคปัจจุบันว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์เป็นรายการใดมีกิจวัตระอะไรทำอะไรอยู่เราทราบได้ยานี้เป็นปัจจุปัจจุบันนางสียานต่อไปก็เป็นยถ า, ากรรมุตา ย, ยานนี่ทิพยานอันเดียวเราสร้างยานทั้งหมดแปอย่างด้วยกัน ทั้งตัวเองด้วยยาถากรรมตายายก็หมายความไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่มันมีกับเราแล้วมีกับคนอื่นทั้งหมดใครก็ตามถ้าเราต้องการเห็นก็มีความทุกข์อยากจะทราบว่าไอ้ความทุกข์ที่บรรดานเขาอยู่เวลานี้เขาทํากรรมอะไรไว้ในชาติก่อนเราจะเห็นภาพนั้นพี่ไอ้การรู้นั้นเป็นการเห็นภาพในตัวเสร็จนะ อย่างนี้ที่จะถ่ายคำว่ตาอย่าดิ้กความทุกข์ที่มาเกิดกับเราก็ดีความสุขที่เกิดกับเราก็ดีความทุกข์ที่เกิดกับเรามีอะไรบ้างมาทําไมเราจะมีทุกข์อย่างอาฉันเนี่ยเป็นคนพูดป่วยตลอดชาติวันป่วยทุกวันให้ายากจะรู้แต่นนี้การป่วยที่มันก็เหมือนกันทุกคนโทษทางเดียวกันนั่นคือปานาฎิบัติ การป่วยไข้ไม่สบายทำให้ร่างกายไม่ปกตินี่มันโทษปาณาติบาตตัวเดียวถ้าเราจะตอบว่าคนที่ป่วยไข้ไม่สบายมีโทษปาณาติบาตนี่มันของไม่ยากแต่ว่าปาณาติบาต ท, ทำอะไรมาอันนี้เป็นยถากรรมูตายานต้องเห็นภาพชัดว่าเขาทำอะไรมารวมความว่าการฝึกทิญยานให้เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้ท่องตัวจริง ก็าสามารถจะรู้ได้แดอย่างตามที่กล่าวมาแล้วนี่แต่รู้ได้แดอย่างนี้มันเป็นทั้งวิชาสามาอภิญญาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เราฝึกกันอยู่นี่เป็นวิชาสามากับอภิญญาร่วมกันว่าการรู้จริงๆการเห็นชัดชัดเป็นวาเป็นภาระของวิชาสามาแต่การเคลื่อนเข้าไปสู่ไปหาเขานันเป็นอภิญญา ยาที่ขณนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้อะไรตัวอะไรได้เป็นวิชาสามสมมติว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงข้อเคลื่อนไปถึงสวรรค์ชั้นหนึงเดาดึงอันนี้เป็นตัวอภิญญาการเคลื่อนออกไปสู่ที่ต่างๆเป็นอภิญญาดะนั้นจะถือว่าการฝึกของเราก็มีผลสองอย่างคือวิชาสามร่วมอภิญญาตีน่นี้การฝึกกัมมันดาแต่พุทธบริษัท อันดันแ บ, บแรกก็พยายามระ ง, งับยีวรนห้ารายการนั่นอย่าลืมลืมไม่ได้นะนวีวอเนี่ยความจริงไม่น่าจะระ ง, งับเฉพาะเวลาที่มานั่งกรรมฐ า, านไอนเวลาที่เรามานั่งเนี่ยเรามาฝึกระ ง, งับเมื่อระ ง, งับได้แล้วต้องติดตามไประ ง, งับที่เราอยู่ด้วยที่เราทํางานก็ดีเรากินข้าวกินปลายก็ดีถา่ายจาระปัสสาวะก็ตาม เราคุยก็าตามอันนี้ต้องระ ง, งับนิวรณ์ด้วยฝึกการระงรับแตระรับนิวรณ์ตัวนั้นระงรับอะไรตัวที่สำคัญที่สุดคือนิวรณ์ตัวที่ตัวที่สองซึ่อารมณ์ไม่พอใจ <c oughs> ความรักในรูปสวยเสียงเพรากลิ่นหอมพุทธอร่อยสัมผัสเพศสมัครสัสมผัสระหว่างเพศกันคิดว่ามันเป็นอนิจจังมีสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตาในสุดก็พังเหมือนกักน อารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขไม่ควรจะมีคือทําให้ใจิตใจสมองอยุง่นนี้เป็นต้น <c oughs> บางทีเราก็หลงกลกําลังมันยังโสงอยู่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนี่วอนเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปรู้สึกตัวก็หาทางระงับหาทางตัดว่าภายในไม่ชาติร่างกายพวกเรานี้ก็จะต้องตายแล้วอย่างพระฏิเสธท่าทนฟัง เพราร่างกายนี้ต่อเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วคือไปปราดมวิญญาณออกจากร่างเขาก็จะนาไปทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ใช้อะไรไม่ไดไไ้ไม่มีประโยชน์ในเมื่อวิญญาณออกจากร่างร่างกายไปถ้าเราโกรธคนอื่นแล้วโกรตร่างกายอาการที่โกรธก็เป็นร่างกายเขาไปโกรธเขาจิตใจมันอยู่ในร่างกายอาการโกรธเป็นของ ด, ดีเนี่ยเมื่อร่างกายมันตายแล้วจิตใจไปไหนถ้าโกรธ มันก็ไปอบา ย, ปายภูมิเป็นของไม่ดีและมีว น, นีต้องรังนับในริการที่สองก่อนเมื่อระงับที่วรได้พอสงควรนึกถึงพาสิทธ์อจิรังวัตยังกายโยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพรัฒนติสสะอันนี้ง่ายมากเป็นวิรัชนายานที่สูงสุดเป็นจุดของพระทหารคือว่าิท่านบอกอีกไว้านานหนอ ร่างกายนี้ก็จะไปวิญญาณจะไปปัดแล้วไปปราบแล้วชาวบ้านเขาก็จะทอดทิ้งไปเขาไม่ต้องการเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์กานั่งดูร่างกายของเราว่ามันไม่ชามันก็นตายคนที่เกิดก่อนเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดพร้อมเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดทีหลังเราตายไปก่อนเราก็เยอะเราไม่ชาเราก็ตาย เมื่อคิดอย่างนี้แลอารมณ์ใจของเขาสลดจากกิเลสหลังจากนั้นก็ฝึกใจตั้งใจภาวนาตามที่ครูแนะนำอันดับแรกกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้าให้ใจเขารู้ให้ใจออกรู้าหรับในการฝึกวันนี้ก็ใช้คำภาวนาวนา่านะมาพะเวลาให้ใจเข้านึกวนัมวนมะเวลาให้ใจออกนภาพาทะคนเก่าไม่หนักสาหรับคนใหม่ ต้นใหม่เวลาที่ครูเขาแนะนําให้แนะนําว่าใครภาวนาเวลาที่ภาวนาก็ดีรูล้ลงในใจเขาออกก็ตามคือให้ใจเข้านึกุ้ยนะมาใจออกในพะาทะตอนนี้นะทุกคนจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรไปเองขาดเพราะความเป็นทิพย์ของจิตยามไม่เกิดตอนนี้นี่คำคำมาทิพย์ทิพยาน ค, คํำมาทิพยานนี้ไม่ใช่หลกตาเป็นทิพย์ เพรว่ามันแค่มีจิตเป็นทิพย์คำว่าจิตเป็นทิพย์ก็หมายความนึกว่าจิตว่างจากกิเลสช่วงเวลานิดหน่อยความเป็นทิพย์มันก็เกิดนี่คำว่าจิตเป็นทิพย์เราก็ใช้ลูกตาไม่ได้เพราะตาไม่ใช่ตาชิดย์พกตาทิพย์จะต้องเป็นเทวดาหรือผมหนังฟ้าร่างกายที่เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพเรามีร่างกายเป็นเรื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพย์ ใจเป็นทิพย์การรู้การเห็นทุกอย่างต้องรู้ทางใจอาศัยความรู้สึกครั้งแรกเมื่อภาวนาัภาวนาอยู่เรือภาวนารู้ลมให้ใจเขาออกอยู่ขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะใดรู้คําภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างใจกิเลสอารมณ์เป็นทิพย์ก็เกิดความรู้สึกแรกปั๊บจะถูกต้องเสมอเพราะความเป็นทิพย์ แต่ว่าถ้าเกิดสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะตกเป็นท่ายของนิวรณ์ตัวที่ห้าจิตเสือจะตอบไม่ถูกฉะนั้นถ้าเวลาที่ครูเขาถามว่าครูให้ภาวนาแล้วเห็นว่าอารมณ์เป็นทิพย์พอสมควรเทศถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่กันหนาบ้างพอเขาถามปั๊บปีความรู้สึกปั๊บตอบทันทีอย่า ก, กลัวผิด ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกส่วนใหญ่จะไม่ผิดจะถูกถ้าเราถือว่าเรากำลังฝึกแต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นวงอาจจะเห็นไม่เสมอกันให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองเพราะทิวดาหรือพรมพระอริยเจ้านางฟ้าท่านมากันมากต่างคนต่างก็อาจจะเห็นคนเราคนก็ได้พี่ถามว่าท่านหลายเรานั้นแต่งตัวสีอะไร ให้ตอบตามความรตู้สึกกระตามนี้นะตอนนี้ไปขวัญดาญาตยอโมพุทธวิสัทธ์เปหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจนักบวชการพระแล้วก็สมาทานศีลวาทานกรรมฐานโยโสซปตั ว, วารังสมยัยสมบุทตร <c oughs> เว้าาข้าตัเยนาพะกวัตาธรรมโมยุาฏิปันโนยัติภะกวัตโสาวกสังโฆสาวกังพรทเกวันตังสาวธรรมสาสังขัง อิเมหิเศคาริหิญาตารังอารวิเตหิอาภิปุจยามานัฐโนพันตภะคะวสุจิรปรินิพุโตอัี ปัจจิมาชนตาโลกัมภ์ปมานัสสานิเมตการิทุกขตาปัญญาคารภูติบริันหตุ ธรัมหังดีรังหิตายสุขายะระหังสมาสมุทโภตวาพุทธังภะวันตังอภิวาดีมี ตัคฆาตุภัควายตาธรมโมธรรมังนามาฌามีสุปฏิปันโนภัควาโตสาวกสังโฆสังขังนามามี เอ่อตอนนี้ไปขบันดาญาโยงบริษัท ต, ตั้งใจสมาทานชิ้นปนะโมทัสสะพธวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะโพธวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพธวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสระนังขจามีมังสระนังขชามีสังังสระนังขชามีตุติยัมปีขังสระนังขชามีตุติยัมปีธรมังสระนัง